บุกทูเจ็ดสิบหกเซปตกเซสเหตุผลบางประการสองราฟีกิเออนดทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะที่อลบินเวนิสดิฉันไม่สบายค่ะ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 ชิเนานิสชาร์ีเอสติสลาซ์ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะค ะ, ะคยลนเนวนิสเขาไม่มีอารมณ์ค่ะลนเนอนสเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะลนเนาิสชาร์ลีเนอนส ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะรรถของเราเสียค่ะเราเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะวิ า, ท, าทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Ille maltrafis l a t r a i n พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Il ne venis car ille maltrafis l a t r a i n ทำไมคุณถึงไม่มาคะ c h e a l i n e v n i s ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต In r i g h t s ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต